พระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะพระสัสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะ พระสัมมวิสเทภะพระสัมมวิสเทภะพระสัมมวิสเทภะพระสัมมวิสเทภะพระสัมมวิสเทภะพระสัมมวิสเทภะ พระสัมสัมวิสเทพะพระสมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะพระสัมสัมวิสเทพะ